ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเช้าตรู่แบบนี้เจอกันกับ Energy Saving Talk TSM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปครับเราคุยกันเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกแล้วก็พลังงานสะอาดแน่นอนว่าก็เป็นประเด็นกระแสที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ที่มีความตื่นตัวนะครับเรื่องของพลังงานด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่ได้บอกไปแต่นะครับว่ารายการ Energy Saving ครับโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอัญบูรีร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอัญบูรีและสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยนะครับ เพื่อประหยัดเวลาครับวันนี้เราไปกันอย่างรวดเร็วเราจะได้คุยประเด็นกันทั้งหมดว่าวันนี้จะคุยประเด็นอะไรกันมากมายอะไรกันมาบ้างวันนี้พูดคุยกันกับอาจารย์ ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระชัยอนรินทร์อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่จุดเณรของประเทศไทยต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับผม ครับอาจารย์ครับเราได้ยินชัดนะครับครับได้ยินชัดเจนนะฮะในวันนี้เอ่อครับผมเราเคยคุยกันในช่วงก่อนอาทิตย์สออาทิตย์โน้นเราพูดถึงเรื่องของอ่าประเด็นนโยบายของทางรัฐบาลที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของใช้อ่าการอ่าก่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ทางสมาคมเองได้มี แนวคิดมีต้นแบบมีโมเดลมาเบื้องต้นละแต่ณตอนนี้จากทางพรรครัตน์ได้ขับเคลื่อนตรงนี้แล้วส่วนนึงอ่าเหมือนแนวคิดต่อยอดทั่วเป็นอ่าหน่วยงานหลักของประเทศที่เห็นว่าควรจะมีอย่างงี้แบบนี้เกิดขึ้นในทางในฐานะสมาคมเอ๊ะอาจารย์เราคลิกออฟเราเดินหน้าต่อกับเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนยังไงต่อบ้างครับอาจารย์คือก็อย่างที่ได้กล่าวกัน ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางสมาคมเนี่ยเราจัดงาน 2 งานนะครับในเอ่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดนะครับเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ําด้วยกังหันลมมหตะกะและพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราก็มาจัดงานกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับที่ตั้งของสมาคม อาทิซึ่งเราจัดงานร่วมกันใน 3 ภาคส่วนนะครับที่อ่าทํางานด้วยกันนะครับก็คือสมาคมพลังงานท้อแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยนะครับศูนย์วิจัยและประกันด้านพลังงานซึ่งอยู่ในส่วนรับผิดชอบของสมาคมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทางสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกับอ่าตัวของวิชชาการสถาบันแห่งปรดราจุบธรรมแห่งประเทศไทยนะครับอ่ามาทําการเสวนานะครับ ในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับพลังงานจากธรรมชาติเนี่ยที่เราเองเนี่ยอ่ามีปัญหาในเรื่องของน้ํานะครับเรื่องปรับปรุงคุณภาพน้ํานะครับซึ่งอ่าตัวโมเดลที่เราวางไว้เนี่ยคือน้ําสะอาดเนี่ยอากาศต้องบริสุทธิ์ด้วยนะครับก็มีการเสวนานะครับกับสมาชิกจากภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเนี่ยประมาณ 60 กว่าคนนะครับมาดูงานที่ศูนย์วิจัย และประเด็นด้านผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราด้วยนะครับอ่าในงานนี้เนี่ยอ่าเราช่วงช่วงช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเสวนาเรื่องนี้นะครับเรื่องของตัวของทําอย่างไรเนี่ยให้ทางของเอ่อชุมชนเองเนี่ยมีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเนี่ยเพื่อใช้ในการอ่าปรับปรุงคุณภาพน้ํานะครับขึ้นน้ําเนี่ยไม่ต้องรอจนเสียนะครับก็สามารถจะครับ การใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงแดดเนี่ยคือเพิ่มออกซิเจนเพิ่มสภาวะน้ําผิวดินเนี่ยให้มีค่า DO ที่สูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้คุณภาพน้ําเนี่ยดีนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเอ่อเรียกว่าบําบัดน้ําเสียเนี่ยคือคือน้ํามันเสียไปแล้วนะครับแล้วก็มาบําบัดเนี่ยมันจะใช้พลังงานค่อนข้างจะสูงมากนะครับในการที่จะไปทําให้มันกลับคืนมาเนื่องจากว่าของมันเสียแล้วแต่ถ้าเราเนี่ยมาทรีตเมนต์ นะครับมาทําการปรับปรุงเรามาตามเติมออกซิเจนปรับปรุงคุณภาพน้ําให้เกิดการโฟลหมุนเวียนโดยใช้พลังงานจากธรรมชาติหรือการใช้กังหันลมตัวอัดอากาศลงไปเติมออกซิเจนหรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเซอร์คูเลทหรือว่าเคลื่อนที่มวลน้ําเหมือนกับที่ทางมหาวิทยาลัยเราได้ไปทําให้กับพระองค์การบันศูนย์จังหวัดเชียงภูมิที่หนองปลาเฒ่านะครับมันก็ลดค่าการ ถึง EM ลงไปปีนึง 3 ล้านกว่าบาทเนี่ยก็ไม่ต้องทิ้งแล้วนะครับก็ใช้ทั้งลมและโซล่าเซลล์เนี่ยมาทําการเติมออกซิเจนและขับเคลื่อนมวลน้ําทําให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพน้ําได้อย่างท่าวอนนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้น้ําสะอาดเนี่ยอัศัดก็ต้องบอสุดด้วยคือตัวแหล่งกําเนิดของพลังงานเนี่ยไม่ได้มาจากฟอสซิลหรือว่าโรงไฟฟ้าที่ทําให้เกิด CO2 หรือว่าเกิดคาร์บอนดอกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาไฟฟ้าที่ผลิตอากาศไม่บอสุดมาบําบัดน้ํา อ่ะของตัวเองเนี่ยก็น่าจะผิดคอนเซ็ปต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้พลังงานจากธรรมชาติเพื่อการบำบัดน้ําอย่างยั่งยืนนะครับคือเราก็จะทําให้ตัวของคุณภาพน้ําซึ่งทางของกรมควบคุมลมฤทธิ์เนี่ยที่เข้ามาร่วมสัมมนาด้วยก็เห็นว่าตัวของกังหันลม Thermo Fisher และพลังงานทดแทนที่ออกแบบและก็ใช้งานอยู่ที่ศูนย์การพลังงานเนี่ยทั้งลมและแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพน้ํานั่นคือในช่วงบ่ายนะครับที่เราสรุปและดูงานกัน นะครับพบพบเพราะว่าตัวประเด็นที่สําคัญเนี่ยที่ที่เคยได้บอกไปแล้วว่าเอ่อเราเองเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของความยั่งยืนนะครับในเรื่องของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นความยั่งยืนเนี่ยก็ต้องมีจุดคุ้มทุนด้วยนะครับก็ตัวของโมเดลนี้เนี่ยก็จุดคุ้มทุนเค้าอยู่ประมาณไม่เกิน 4 ปีนะครับในการลงทุนตัวของระบบพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนในการเติมออกซิเจนในบ่อบําบัดและบ่ออ่าตัวของบ่อปรับน้ําเสียนะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในในโครงการของสมาคมรับสมัครกับศูนย์วิจัยและประกันด้านพลังงานซึ่งผมเองเนี่ยก็ดูแลทั้ง 2 ภาคส่วนนี้อยู่นะครับส่วนในตัวของช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นการเสวนากลุ่มย่อยนะครับที่ทางของอ่าโฟโต้เนี่ยได้เมนชั่นไว้นะครับก็ได้พูดไว้ก็คือการสร้างวงไฟฟ้านะครับอ่าพลังงานทดแทนแบบประสบประสานเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ไอ้เนี่ยเราได้เกิดความทนมันมานานมากแล้วนะครับมันนานมากแล้วว่าตัวของประเด็นที่สําคัญที่ตัวผมเองเนี่ยก็เคยนําเสนอนะครับโมเดลตัวของโรงพยาบาลชุมชนแบบผสมผสานเนี่ยให้กับตอนตั้งแต่ผมเรียนอ่า วพน. นะครับก็คือ สมศน. 6 เนี่ยผมก็ได้อ่านําเสนอหลักสูตรแล้วก็ตัวของหลักสูตรเนี้ยนะครับตัวของโมเดลเนี้ยให้กับอ่า การสัมมนาหรือว่าการจบหลักการศึกษาของ พพด. 6 ที่ผมเรียนอยู่เนี่ยก็นําเสนอโมเดลเนี้ยมามาประมาณ 3 ปีที่แล้วแล้วนะครับว่าตัวของโรงพยาบาลเนี่ยในอนาคตเนี่ยอ่ามันจะเป็นชนิดแบบกระจายนะครับไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับมันจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือหรือเราเรียกกันในทางวิทยาคําว่า DG เนี่ยก็คือ Distribution Site เนี่ยมันมันเป็นโมเดลที่ ที่เหมาะสมกับกับประเทศเรานะครับกับประเทศเราคือไฟฟ้าหลักๆเนี่ยที่ผลิตมาจากฟอสซิลหรือว่าจากโรงสาใหญ่ๆเนี่ยสมควรจะไปซัพพอร์ตในภาคอุตสาหกรรมนะครับในภาคอุตสาหกรรมซึ่งใช้ไฟฟ้ามหาศาลในภาคอุตสาหกรรมหรือว่าในในเรื่องของการเดินรถไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆที่มันใช้เอ่อในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันสมควรจะเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้ว นะนะนะครับแล้วตัวของโรงสาขนาดเล็กเนี่ยมันจะต้องทําอย่างไรเนี่ยให้ชุมชนของเราเนี่ยได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นอ่าตัวของประเด็นกรอบแนวคิดการศึกษาคือตัวของพลังงานก๊าซแทนเกือบทุกๆรูปแบบนะครับทั้งพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์หรือชีวมวลมันเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแต่มันมีขนาดใหญ่เกินไปในอดีตที่ผ่านมา คือโรงหนึ่งมีเป็น 100 เมกะวัตต์บ้าง 200 เมกะวัตต์บ้างอ่า 50 เมกะวัตต์บ้างต่างๆพวกเนี้ยมันเป็นโรงธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากเกินกว่าที่จะอ่ารองรับตัวของรีสอร์ทก็คือตัวของโรงตัวของแดดการกินใช้พื้นที่การใช้ทรัพยากรเนี่ยต่างๆในพวกเนี้ยมันทําให้การเสดโรงธุรกิจประเภทเนี้ยฮะมีเกิดขึ้นได้ยากข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ก็โดนต่อต้าน จากประชาชนอย่างเช่นโรงสาไบโอแมสอย่างนี้ครับไบโอแมสไบโอแก๊สเนี่ยก็มีการขนส่งวัสดุอะไรเข้าหมู่บ้านอะไรต่างๆซึ่งมันใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมลพิษเรื่องของฝุ่นเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็คอนโทรลยากนะครับคือควบคุมได้ยากแล้วประชาชนก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับการสร้างโรงไส้นะครับที่ทําให้เกิด CO2 หรือว่าไบโอแมสอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลประโยชน์ที่ดีของประชาชนแต่ถ้ามันมีขนาดใหญ่มากเกินไปเนี่ย 1 ก็คือ ตัวของทรัพยากรหรือที่เรียกว่าสต็อกเนี่ยของไบโอแมสเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอนะครับก็ต้องมีการขนส่งข้ามหมู่บ้านข้ามอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็เกิดขึ้นทําให้ตัว 2 โรงสาอ่าพลังงานทดแทนหรือโรงสาชุมชนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากถ้าเป็นโรงสาขนาดใหญ่นะครับก็ได้นําเสนอโมเดลตัวเนี้ยนะครับในกรอบ แนวคิดการศึกษาเนี่ยอ่าสําหรับโรงพยาบาลพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อชุมชนอย่างรุ่นยืนเนี่ยให้กับ วพน. 6 แล้วก็นําเสนอให้กับรัฐบาลในตอนนั้นไปเนี่ยนะครับก็อ่าไม่ได้ได้รับการพิจารณาอย่างอย่างอย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นในช่วงของการศึกษาโมเดลหรืออะไรต่างๆพวกนี้ต้องใช้เวลาแต่มาถึงตอนนี้นะครับตอนนี้แล้วก็อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังครับทุกท่านแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็ให้การส่งเสริมนะครับ เป็นรูปธรรมนะครับก็จะมีการออกกฎหมายรองรับมีการช่วยเหลือให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนขนาด 1 เมกะวัตต์ต่อเป 1 ชุมชนต่อ 1 หมู่บ้านเนี่ยก็หน้าที่ของสมาคมก็มีหน้าที่ในการให้การศึกษานะครับให้ให้ความรู้กับผู้ประกอบการนะครับให้ให้ความรู้กับผู้ที่จะเริ่มทําธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็ได้ศึกษาโมเดลตรงเนี้ยไว้มากพอสมควรแล้วนะครับก็ อ่าได้ศึกษาไว้ทั้งสับตั้งแต่เริ่มต้น 5 ปีที่แล้วเนี่ยครับอ่าทางของอ่าสํานักงานนวัตกรรมเหวฉ่าโครงการมหาชนหรือเรารู้จักกันในนามของเนี่ยเอสับสูตรวิจัยพลังงานของเราที่ทําโมเดลไว้นะครับแล้วก็มีโมเดลทางธุรกิจที่ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับอ่าผลประโยชน์จากการขายอ่าอ่าวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นว่าพวกอ่า ข้าวนะครับพวกเอ่อฟางข้าวตันข้าวโพดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกตัดกิ่งไม้ต่างๆที่ต้องตัดแต่งจริงในพืชผลทางการเกษตรอยู่แล้วอย่างเช่นกิ่งเงาะกิ่งลําไยกิ่งอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับคือแทนที่จะเอาไปเผาทิ้งเฉยๆเนี่ยก็เอามาเป็นเชื้อเติมของโรงสายชุมชนแต่ว่าโมเดลที่สําคัญเป็นอย่างงี้คือโรงงานสาผสมผสานเนี่ยเราไม่สมควรที่จะให้ตัวของไบโอแมสหรือไบโอแก๊สเนี่ย มันมีกําลัง 30 ที่มากเกินไปกว่าอ่าชุมชนนั้นน่ะมีศักยภาพของเชื้อเพลิงอยู่อย่างเช่นอ่ามีไร่ข้าวโพดมีไร่อ้อยนะครับมีกิ่งมีมันอันมันมันสับหลังหรือว่าจะเป็นเรื่องของอ่าเข้าตัวของโลหะสีนะครับที่จะมีตัวของแกลบตัวอะไรต่างๆพวกนี้คือคือจะต้องทํายังไงเนี่ยให้มาทําการผสมผสานกันอย่างเช่นว่าเราอาจจะใช้ ตัวโมเดลอย่างเช่นว่าใช้อ่าชีวมวลเนี่ยนะครับมาทําการผลิตแก๊สชั่วภาพหรือว่าตัวของอ่าแคทิไฟเออร์หรือว่าตัวแก๊สที่เอามาผลิตอ่าในการต้มต้มน้ํานะครับต้มน้ําก็เอาไอน้ําเนี่ยมาทําการเดิมซึ่งกําเนิดไฟฟ้าจากอ่าตัวของซินเทไบล์อันนี้ก็สมควรจะอยู่ในโมเดลสักประมาณสัก 300 กิโลวัตต์นะครับถ้าถ้าเราพูดถึงว่า 1 ชุมชน 1 เมกะวัตต์เนี่ย กลุ่มชุมชนเนี่ยก็ก็จะมีตัวของฟรีสต็อกตัวเนี้ยนะครับอ่าเข้าไปเค้าลงโครงการของตัวเองได้แล้วชุมชนเนี่ยก็ก็ได้ถือหุ้นนะครับก็คืออาจจะให้พื้นที่นะครับไม่ต้องลงเงินนะครับอาจจะมาทําสัญญากันในศักยภาพชุมชนหรือว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยครับอาจจะมาทําตัวโมเดลเนี้ยอาจจะถือหุ้นอยู่ใน 100% เนี่ยก็อาจจะถืออยู่ 20% 30% ก็แล้วแต่ศักยภาพแบบอาจจะเป็นอินคายก็คือให้พื้นที่ นะครับอ่าให้ตัวของโรงไฟฟ้านะครับรัฐจะเข้าเข้าไปทรัพย์สนับสนุนสักประมาณสัก 10-15% นะครับนักธุรกิจนะครับที่จะไปลงทุนเนี่ยก็อาจจะลงทุนอยู่แค่ 60-70% เพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ผสมผสานกันนะครับทั้งภาครัฐทั้งเอกชนแล้วก็หมู่บ้านเพราะฉะนั้นประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยเค้าจะรักษาอ่าตัวของไฟฟ้าสายสายไว้ให้กับประเทศด้วยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือประชาชนเนี่ย ได้เอ่อการขายนะครับมีรายได้จากการขายอ่าตัวของฟิตต๊อปก็อย่างเช่นว่าอ่าอ่าตัวของเอ่อผู้ผลผลิตทางการเกษตรนะครับมีไม้โตเรลมีสังข์โพดสังข้าวอะไรต่างๆเนี่ยก็มาขายให้โรงศึกษาของตัวเองนะครับหรือว่าตัวของประชาชนเองก็จะซื้อผลผลิตในราคาถูกนะครับอาจจะถูกกว่าซื้อจากรัฐบาลสักนิดหน่อยแต่ว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยก็รักษารายสาย แม่ไฟฟ้าเนี่ยก็เพิ่มมากนะครับคุณภาพไฟฟ้าก็ดีขึ้นใครเดียวกันชุมชนก็มีรายได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของชุมชนเนี่ยพอมีเงินบันผลจากโรงไฟฟ้าของตัวเองด้วยคือการสร้างงานในชุมชนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าไบโอแมสครับประมาณสัก 300 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เป็นตัวของอ่าโซล่าเซลล์นะครับอ่าต้องเป็นชนิดที่ทนต่อการกระทบกรดกรดเนี่ยแล้วก็อุณหภูมิสูงสักอ่าสมมุติสัก 500 กิโลวัตต์นะครับ จะว่าเป็นโซล่าลอยน้ำก็ได้โซล่าโซโซล่าแลนด์ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วก็อาจจะมีตัวของอ่าพลังงานหันลมคาเมลลมต่ําอ่ะตัวละสัก 50 กิโลวัตต์แล้ว 100 กิโลวัตต์เนี่ยนะครับสักประมาณสัก 3-4 ตัวนะครับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับโรงไส้ 1 เนี่ยก็จะผสมผสานระหว่างลมโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ไบโอแมสหรือไบโอแก๊สเนี่ยรวมกําลังการผลิตกันสักประมาณสัก 1 เมกะวัตต์ต่อหนึ่งชุมชนโมเดลธุรกิจอย่างนี้ครับ ก็จะทําให้ไฟฟ้านะครับ 2 ประเทศเนี่ยอ่ามีตัวของโรงไฟฟ้านะครับสมมุติว่า 1 1 ตําบล 1 เมกะวัตต์นะครับเราตีง่ายๆประเทศเราเนี่ยให้ตีบตัวเลขคงกลมเนี่ยก็คือ 70 เอาเป็น 70 จังหวัดนะครับเราเราตีไปว่าเรามี 7 700 อําเภอแล้วก็มี 7,000 ตําบลถ้าพูดง่ายๆว่าทุกตําบลเนี่ยไฟฟ้า ปลายสายเนี่ยมีตกทุกตำบลนะครับมีการอ่าคุณภาพของฮาร์มอนิกเอ่อของอ่าความถี่เนี่ยไม่ถึงหรือว่าโวลต์แรงดำไฟฟ้าที่ตกที่ปลายสายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยมีไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพสูงขึ้นแล้วก็มีอะไรครับมีคุณภาพไฟฟ้าที่ดีขึ้นไม่ทําให้ตัวของอ่าเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อ่า まあมีคุณภาพไฟฟ้าที่แรงดันต่ําเนี่ยทําให้ตัวหลอดไฟขาดมอเตอร์ไหม้อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายของประเทศลงด้วยในการอ่าสรรพืชสินค้านําเข้ามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยคือถ้าเป็นโรงไฟฟ้าระดับชุมชนเนี่ยคือชุมชนเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และประเทศเนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆว่าเราสามารถสร้างได้ 7,000 ตําบลนี่ไม่ต้องพูดถึง 70,000 หมู่บ้านนะครับก็คือ 7,000 ตำบลเนี่ยเราเริ่มต้นที่ 7,000 ตำบลเนี่ยตำบลละ 1 เมกะวัตต์ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของของพื้นที่นั้นนะครับว่าว่าเราก็ต้องทําการศึกษาโมเดลรัฐบาลก็ต้องให้โอกาสในการทําการศึกษาและเปิดช่องให้ประชาชนและก็นักทุรกิจได้ลงทุนลงธุรกิจชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ PPA หรือว่าตัวของสัญญาขายไฟเนี่ยก็ต้องทําระหว่างเอ่อตัวของบริษัทนะครับที่เป็นนักลงทุนอาจจะถือหุ้นอยู่ 50% 60% ชุมชนถือ 100% รัฐบาลอาจจะไปซับให้ได้ 10% อะไรเงี้ยในระยะการเริ่มต้นโครงการแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านหรือว่าแต่ละตำบลถ้าเราพูดกันก็เอาเป็นง่ายๆว่า 1 กิโลวัตต์อ่ะ 7,000 ตำบลก็เราก็จะมีไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแล้วก็มีรายได้เข้าสู่ชุมชนแล้วก็มีรายได้เงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศแท้ๆในประเทศรวมทั้งตัวของชุมชนเองเนี่ยได้หุ้น นะครับในการใช้พื้นที่ให้เช่าให้เช่าอ่าตัวของพื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งโรงพลังสาประมาณ 7 อ่า 1 สวท 7,000 ตําบลเนี่ยเราก็มีโรงพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน 7,000 เมกะวัตต์นะครับที่อาจารย์พูด 7,000 เมกะวัตต์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเดิน 7,000 เมกะวัตต์เต็มแต่รัฐบาลเนี่ยจะมีไฟฟ้าแบ็คอัพอยู่ปลายสายรักษาคุณภาพปลายสายเนี่ยสมมุติว่าโรงไฟฟ้า 1 1, 1 เมกะวัตต์เนี่ยจะต้องทํายังไงให้ได้เดินไฟฟ้าให้ได้ 20% ของ 1,000 เมกะวัตต์อยู่ตลอด 24 ชั่วโมงให้ได้นั่นคือคุณภาพไฟฟ้าสายเนี่ยต้องเดินอยู่ประมาณสักไม่ต่ํากว่า 200 กิโลวัตต์อาวในทางวิศวกรรมก็คือประมาณประมาณอ่ะ 20% ของแคนแฟคเตอร์นะครับถ้าถ้าพูดในภาคของทางวิศวกรรมก็คือโรงไฟฟ้า 1,000 อ่า 1,000 อ่ะกิโลวัตต์อาวนะครับ เพราะฉะนั้นตัวของโรงไฟฟ้าเนี่ยก็เดินอยู่ประมาณสัก 200 กิโลวัตต์ต่อหาวคือคือ 20% ของของ 1 เมกะวัตต์เนี่ยต้องเดินให้ได้เป็นเนมัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยอ่าตัวของโรงไฟฟ้าของแต่ละชุมชนเนี่ยถ้าเราพูดเนี่ยนะครับเอ่อทางของการผลิตไฟฟ้าผัดหรือว่าการสร้างอ่าภูมิภาคเองเนี่ยก็จะรู้ชัดเจนว่าอย่างน้อยนะครับโรงไฟฟ้าไฮบริดแบบผสมผสานเนี่ยเค้าจะมีเค้าเรียกว่า เซมิเฟิร์มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นอนเฟิร์มเหมือนกับทุกวันนี้ของโรงฟ้าขนาดใหญ่ของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นนอนเฟิร์มคือจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็เป็นนอนเฟิร์มไปแต่ถ้าเป็นเซมิเฟิร์มนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราเนี่ยก็จะรู้ว่าโรงฟ้าทุกทําบนเนี่ยต้องมินิมัมก็คือ 20% ต้องผลิตไฟฟ้าออกมา 24 ชั่วโมง เพื่อทําการใช้ในชุมชนหมู่บ้านนั้นแล้วก็เหลือขายให้กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นตัวของโรงพลังงานในลักษณะเนี้ยจะทําให้โรงไฟฟ้าอ่าไฟฟ้าแบบแห่งประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะรู้ให้ชัดเจนว่าจะลดกําลังการผลิตฟอสซิลลงได้เท่าไหร่นะครับลดการใช้ถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าก๊าซเนี่ยลงได้เท่าไหร่อย่างเป็นตัวเลขรายละเอียดสําคัญอย่างชัดเจนเพราะว่าทุกวันเนี้ย ที่เราเห็นโรงพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในตอนเนี้ยคือตัวของฟอสซิลเนี่ยไม่กล้าที่จะลดกําลังการผลิตลงเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีลมและแดดเข้ามาในตอนนั้นเพราะฉะนั้นยังคงอัดตัวของฟอสซิลไว้เกือบเต็ม 100% คือยังเซลล์สตรีมอยู่ที่ภาษาทางวิศวกรพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นฟอสซิลตัวนี้ยังเดินอยู่เกือบเต็มเป็นเต็มระบบอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ลด CO2 ลงไปมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะ เพิ่มแต่ลดอะไรได้กับภัณฑ์หันในตัวของเครื่องจักรเพราะฉะนั้นตัวของการสร้างเสถียรเนี่ยก็ยังคงแบกรับภาระไฟฟ้าจากฟอสซิลเนี่ยเผือบยังคงเท่าเดิมแม้ว่าจะมีพลังงานทดแทนเข้ามา 2-3,000 เมกะวัตต์แล้วอยู่ในสายส่งของประเทศเนี่ยแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะลดกําลังการผลิตได้เป็นนัยยะสําคัญของฟอสซิลก็ต่อว่าความไม่มั่นใจในตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนั่นเอง แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่รัฐบาลและกระทรวงพลังงานเนี่ยให้ความสําคัญในตอนเนี้ยเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับผลประโยชน์จะตกเป็นของประเทศนะครับและเป็นของชุมชนประชาชนจะลดรายจ่ายค่าไฟนะครับแล้วก็มีรายได้จากการขายไฟให้กับรัฐมีรายได้จากการขายอ่าพืชทางการเกษตรต้นไม้โตเร็วแกรนเนียเตียหญ้าฟางกันเข้าโพดนะครับแปร เออแม้แต่กิ่งไม้ที่จําเป็นที่จะต้องตัดริตรอนอยู่ทุกทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยในการตกแต่งสวนไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าไม้ยางพารานะครับกิ่งไม้ที่หักโทนอะไรลงมาในทางพื้นที่เนี่ยกิ่งไม้พวกเนี้ยโดยปฏิแล้วเนี่ยไม่มีที่ขายฮะก็จะเอาไปเผาให้เกิด CO2 เกิด PM 2.5 อะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีโรงสาชุมชนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทุกคนก็จะไม่เผาทิ้งให้เกิด ภาวะโลกร้อนให้เกิดตัวของน็อคซอกหรือว่า CO2 ปล่อยก็จะเกิดไหวเหมือนกันครับมีโรงนาของตัวเองปะหักแล้วก็พอสะสมมาถึงจุด 1 CO ปุ๊บอากาศสะสมฟืนสะสมต้นไม้ของไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายป่าหรอกครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันโตทุกทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการตัดแต่งจริงเอ่ยหรือว่าการปลูกไม้โตเร็วอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดธุรกิจโมเดลตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือการรับซื้ออ่าไบโอแมสก็คือ อาวุธพาเลทที่เรารู้รู้จักกันเนี่ยก็จะเป็น RDF เอยนะครับจะเอาขยะมาทําการผสมกับแกลบกับอะไรเนี่ยก็เพื่อเข้าโลกอุตสาหกรรมชุมชนเพราะฉะนั้นธุรกิจตรงเนี้ยก็จะไปช่วยให้เศรษฐกรเนี่ยมีรายได้นอกจากลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ที่ที่ที่มีโรงอุตสาหกรรมของตัวเองแล้วลดลดลดค่าใช้ลงแล้วเนี่ยอาจจะหน่วยละ 10 สตางค์ 20 สตางค์แต่ก็ลดรายจ่ายขณะเดียวกันก็เพิ่มรายได้จากโรงงานอุตสาหกรรมไบโอแมสนี้หรือไบโอแก๊ส ตรงนี้นะครับคือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยจะได้รับจากโครงการโรงพยาบาลประชารัฐซึ่งเราเองเนี่ยผมเองเนี่ยได้ตั้งโมเดลแล้วก็ได้ศึกษาโมเดลเนี้ยไว้มาประมาณ 5-6 ปีแล้วแล้วก็ได้ทําต้นแบบขึ้นมามากมายนะครับแล้วก็ใช้งานจริงอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นเลยก็คือตัวของโรงพยาบาลผสมผสานโซลาร์เซลล์และกังหันลมที่โครงการราชจังหวัดมั่นตามพระราชดำริ ที่อําเภอพัทลุงเพชรบุรีที่รัชกาลที่ 9 ของเราได้เริ่มโครงการไว้ให้เป็นต้นแบบสิ่งนี้ครับจะเห็นได้ว่า 10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวของไฟฟ้าที่โครงการช่างหัวมันไม่ได้เพียงแค่ขายไฟฟ้าแต่เป็นการรักษาคุณภาพไฟฟ้าปลายสายให้กับชุมชนให้หมู่บ้านโบเรนนั้นด้วยไม่เพียงแค่ขายไฟนะครับซึ่งขายไฟเนี่ยก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งแต่ช่วยรักษาคุณภาพไฟฟ้าปลายสายเนี่ย มันลดการสูญเสียของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆของประชาชนที่อยู่ใกล้ๆนั่นคือสิ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการที่มีโรงพยาบาลชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในลักษณะการทํางานอย่างเนี้ยสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยเนี่ยเราเองเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละขาแต่ละสาขาอยู่ประเด็นศึกษาเลยต้องศึกษาตัวแปรหลายๆตัว เข้าใจการในการลงทุนการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ศึกษาโมเดลทางธุรกิจเพื่อประชาชนและประเทศเนี่ยแต่จะผลประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ว่าเราเปิดโครงการขึ้นมาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทําโรงธุรกิจชุมชนตรงนี้ก็ต้องระวังเป็นเป็นพิเศษเข้มข้นนะครับว่าการทําโรงธุรกิจชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนเกษตรกรรมของประเทศไทยเราเนี่ยต้องศึกษาครับในจุดนั้นมีตัวของสายส่ง พอไหมในจุดนั้นมีสภาพลมเป็นยังไงแดดเป็นยังไงไบโอแมสหรือว่าอ่าตัวของพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างไรในบริเวณตำบลนั้นเพราะฉะนั้นโดยฐาน 1 ตำบล 1 เมกะวัตต์เป็นโรงไฟฟ้าสําหรับความฝันของประเทศซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เป็นแค่ความฝันอย่างไรก็แล้วแต่ครับตอนนี้ชัดเจนมากๆว่านโยบายของรัฐนะครับก็จะส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน อย่างชัดเจนอย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับควรจะไม่ให้มีกําลังการติดเกิน 1 เมกะวัตต์ต่อ 1 ชุมชนแต่ต้องเป็นระบบผสมผสานไม่ใช่ซิงเกิลเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีเชิงเดียวนะครับถ้าเป็นเชิงเดียวเนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการบริการจัดการในเรื่องของฟีดด็อกในเรื่องของติดสอบที่นังก็จะตามหาอ่าตามมาด้วยปัญหาอีกเพราะฉะนั้นโซลูชันทดแทนแบบผสมผสานสําหรับชุมชนเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะ ทำการศึกษาทั้งทางสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็จะอ่ามีการอ่าสัมมนามีการอ่าประชุมอภิปรายต่างๆเนี่ยครับเราก็จะจัดงานเพื่อให้ผู้สนใจที่จะลงทุนในทางธุรกิจเนี่ยมาศึกษาโมเดลมาเรียนรู้นะครับมาเรียนอ่าเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็จะจัดงานประมาณอ่าปลายๆเดือนธันอ่าตุลาคมนี้ปี 13 เป็นเสวนาใหญ่ นะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเข้ามาร่วมกันเพื่อซัพพอร์ตนโยบายของรัฐบาลของโรงพยาบาลชุมชนที่จะทําให้ชุมชนของประเทศเราเนี่ยแข็งแข็งครับแล้วก็ถามมั่นใจว่าอ่าการสร้างโรงพยาบาลอ่าชุมชนขนาดถึงระดับจังหวัดแบบผสมผสานเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมาถูกที่ทุกทางที่จะรองรับการขยายตัวของประเทศในเรื่องของไฟฟ้าในอนาคตใกล้นี้ครับผมครับครับผมอ่ะคือว่าเองการ ให้ข้อมูลนะฮะว่าเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนกันต่อเรื่องของการหาในส่วนของแหล่งพลังงานที่ไว้สำรองของประเทศเองก็ตามนโยบายของนภาภาครัฐเองก็โรงไฟฟ้าประชารัฐที่เป็นของชุมชนเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแนวอ่าโมเดลความคิดนะฮะที่จะช่วยเหลือประชาชนที่จะให้มีการใช้ไฟฟ้าที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นกันด้วยนะฮะแล้วก็มาต่อจนในส่วนของการอ่าคิด เหมือนเดียวกันไว้สมัครรถได้เดียวกันนะครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวซาร่าน่าว่าเติมเต็มไปกันต่อแล้วมีเรื่องราวอื่นๆนุบถึงอ่าโอกาสในการที่จะอ่าพัฒนาโครงรถชุมชนตัวนี้ให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงต้นอ่าชุมชนจะมีส่วนร่วมอย่างไรรัฐบาลจะต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างไรปีปีนี้จะคุ้มทุนอย่างไรซาร่าน่าเดี๋ยวให้ตามมาอ่าอธิบายเพิ่มเติมกันต่อวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับสัปดาห์หน้าครับถ่ายกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับครับผมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัชชัยโรนารินทร์นะครับศาสตราจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอัญบูรีและท่านเป็นนายกสมาคมพลงานโฆษณาแทนสุจุดแสดงประเทศไทยครับคุณฟังครับกลับมาเจอกับ ET Serving ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลอัญบูรีครับวันนี้ผมปิยพงษ์เคนดไวพร้อมด้วยคุณชยพลหลังเพชรควบคุมเสียงที่สถานีวันนี้บอกลาป้องกันศาสนาเจอกันเช่นเคยครับ